ข้อความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมโกธิยานได้นำเสนอมาถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงทรมานพวกฉดินที่มีรู้เวลากัศปะเป็นหัวหน้าจนในที่สุดฉดินทั้งสามคือรู้เวลากัศปะนาทีกัศปะขยากัศปะซึ่งมีบริวาร ทั้งละห้าร้อยสามร้อยสองร้อยโดยลำดับก็สรุปแล้วว่าก็เป็นพันรูปหรือถ้าดูตามจำนวนแล้วก็น่าจะพันรูปทั้งตัวอาจารย์เพราะว่าในการต่อมาเราจะเจอจำนวนพิสูพันรูปตลอดคือไม่ใช่พันสามรูปแต่ว่าพันรูปตลอด ต่อมาเมื่อพู้เจ้าเสด็จประทับอยู่ที่อุรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่การเวลาแล้วกะนำพระสงฆ์อดีตปุราณชดินพันรูปที่เป็นบริวาร เ, ออเสด็จจาริกไปสู่ตะ บ, บนขยาศีษะใกล้แม่น้ำขยานั้นณที่นั้นได้รับสั่งแก่ปิกษุทั้งหลายว่า พิสูจทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนพิสูจทั้งหลายจักษุเป็นของร้อนรูปทั้งหลายเป็นของ ร, อญญองรอ้อนบิณญาณอาศัยจักษุเป็นของร้อนสัมผัสอาศัยจักษุเป็นของร้อนความสบวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยแม้อันใด เป็นสุกตามเป็นทุกขตามไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุกตามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนแต่มาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะความเกิดเพราะความแก่และความตายร้อนเพราะความโศก ค, ความลำไยลำพานความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจ ในกรณีนี้ก็คือทรงยกเอาอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาเรียงเป็นทุกชุดไปโดยอาศัยโครงสร้างเดียวกันอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัมะธรรมารมดแต่ละข้อนั้นทรงแสดงว่าเป็นของร้อน แลกระบวนการรับรู้อารมณ์ที่ออกมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยทุกลําดับขั้นตอนก็ทรงแสดงว่าเป็นของรอนคือมายความมายาตนาภายในอายาตนาภายนอกมาไปจุกกันเกียวเรียองกับวิญญาณหรือความรู้รูป ร, รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้ปุตตะพระรู้ธรรมารมณ์ตัวนี้เองก็เป็นของรอน สัมผัสคือการกระทบกันระหว่างอายตนาภายในภายนอกวิญญาณรวมกันสามอย่างที่มากระทบกันเนี่ยกลายเป็นผัสสะแม้นี้ก็เป็นของร้อนและความสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอายตนาภายในภายนอก คือการสวยอารมณ์เนี่ยคำว่าสวยอารมณ์เป็นราชชัดสัพนะให้หน้าน่าสังเกตอย่างหนึ่งว่าคำอื่นไม่ได้ใช้คำคาร า, ชายชัดสับเพราะแต่คล้ายคำว่ากินมันก็รู้สึกยังไงอยู่ฟังแล้วมันสื่อสารไม่ได้คือเวทนาที่ปรากฏเนี่ยที่แปลว่าความสวยอารมณ์มันเป็นขันห้าขันหนึ่งในห้านะ ฐานะก็เองเป็นเจตสิกธรรมซึ่งเกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นจิตสังขารคือตัวปนปลื้จิตหล่อเลี้ยงจิตอาสาจิตของมนุษย์เอาไว้คู่กับสัญญาหรือความจำสัญญากระเวทนาเนี่ยมีสถานะเป็นเจตสิกแต่ว่าโดยนยัยะหนึ่งก็คือเป็นจิตสังขารเราลองสังเกตว่า เวลาเราสัมผัสอารมณ์เช่นอ่รูปฟังเสียงล ง, งติดเลื่อนรถถูกต้องเดีอดรนอนแข็งเนี่ยอย่างนึกจิตนึกถึงอารมณ์ในสัมผัสครั้งแรกนั้นเราจะไม่รู้อะไรเป็นอะไรจึงไม่มีความยินดียินได้อะไรดี่ก็แต่ความไม่รู้ก็คืออวิชชา็ อ, อย์ไปนอนก็เกิดสงสัยเกยอยากรู้อยารู้ก็มีพิสูจน์ทดสอบ เป็นการดูการดมการลิ้มการชิมเป็นต้นเนี่ยถ้าเกิดความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบถ้าชอบก็เกิดสุขเวทนาถ้าไม่ชอบก็เกิดทุกขเวทนาแต่เราก็จําสิ่งเหล่านั้นเอาไว้ในฐานะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเราไม่ชอบเพราะดูความจํเราตัวเวทนาจึงเป็นจิตสังขารคือส่งสิ่งที่พลบลึกจิตอยู่ และในการต่อมาเมื่อเราไปสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็ใช้ความจำเก่ากับความรู้สึกเก่าเกิดขึ้นวินิจฉัยตัดสินก็เกิดความพอใจไม่พอใจในสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นนั้นจึงก็แสดงให้เห็นว่าเรามีหน่วยความจำแล้วก็หน่วยความรู้สึก เป็นสุขหรือเป็นทุกข์จากการที่ได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้นเก็บเอาไว้อารมณ์เหล่านั้นก็กระตุ้นความรู้สึกของเราให้เกิดสัญญาในอดีตเวทนาในอดีตขึ้นมารับรู้อารมณ์เหล่านั้นแล้วก็ให้เกิดเป็นความยินดียินได้ วัน พ, พวกเรานี้ก็กลายเป็นจะเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่จะทุกข์ไม่จะสุขก็ตามมันไม่ได้เป็นของมันเองโดยลําพังแต่เป็นขึ้นจากการกําหนดหมายของบุคคลการตีค่าของบุคคลเองอะไรชอบเราก็เป็นสุขอะไรไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์อะไรเราเฉยๆเราก็เฉยๆวันความรู้สึกส่วนใหญ่ที่เรากําหนดได้ง่ายนะฮะก็คือสามอย่าง อนั้นก็ค่อนข้างกาหนดยากแล้วก็เวทนานั้นทรงจำแนกแสดงไว้โดยในยะต่างๆเวทนาหนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีห้าก็มีหกก็มีเก้าก็มีสิบแปดก็มีสามสิบหกก็มีก็เรียกว่านับไปได้เรื่อยๆนะนับไปได้เรื่อยๆจนเป็นเวทนาร้อยแปด เวินาที่เราพูดกันมากเนี่ยก็เวินาสามเนี่ยพูดกันง่ายหน่อยเป็นสิ่งที่จิตสวรรค์มโดยอาศัยการกําหนดหมายของเราเองชอบเราก็เกิดสุขกระเวทนาไม่ชอบก็เกิดทุกกระเวินาโดยเฉยๆก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าทุกขออ์กมาสุกขออกระเวินาคือไม่ถึงกับสุขไม่ถึงกับทุกกเวทนาเหล่าเนี้ยมันก็กลายเป็นของร้อน ทีนี้ถ้าเราตั้นปัญหาถามมามันร้อนเพราะอะไรอะไรมาเผาให้ร้อนในทีนี้ก็ทรงแสดงสรุปรวมที่กิเลสกองใหญ่นะคือกิเลสมันมีเยอะที่พูดถึงกิเลสพันห้าตนะร้อยแปดกิเลสมันมีเยอะแต่เอาจริงๆแล้วมันก็สรุปรวมว่ามันมีกิ่งใหญ่อยู่ สามกิ่งนะะมันมีรากงาวนี่มาจากอวิชาือรากนี่มามาจากอวิชารากใหญ่รจริงๆงนี่มาจากอวิชาแต่ในขณะเดียวกันก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปเป็นในตอนนี้ทรงแสดงกับพระทรงใชก้กามราคะแต่ถ้าแดงกับแสดงกับชาวคาราวาสนะจงทรงใชก้กามโลภะกิเลสตัวนี้จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน แต่ว่าโดยอาการแล้วก็คือมันเกิดขึ้นจากการประเมินค่าการตีค่าอารมณ์ที่เราสัมผัสเห็นกำลังว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องมันก็เกิดอารมณ์ที่เราเรียกว่าความใคร่ขึ้นมาใคร่ได้ใคร่มีใคร่ครเป็นใคร่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของใคร่จะครอบครองใคร่จะเป็นใหญ่ในสิ่งเหล่านั้น หรือว่าบางครั้งมันก็เป็นอาการเพราโลภะก็เหมือนกันนะฮะอยากได้อยากมีอยากเป็นถ้าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นก็จะมีการควยคว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นถ้าได้แล้วมีแล้วก็มีการกำหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีกับสิ่งเหล่านั้นถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือสุขเวทนาถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดีก็กิดทุกเวทนา เป็นปกติที่ครอบงาจิตใจของบุคคลอยู่เรียกว่าทุกวีทุกวันนั่นนะคือครอบงาอยู่ได้ทุกวีทุกวันระการต่อไปก็คือกิเลสประเภทโทสะแปลว่าความทุดระทุดสลายซึ่งเป็นอาการของความไม่ชอบแต่ความไม่ชอบมันเกิดจากการกำหนดตัวเงินกั น, นลองสังเกตว่า บางทีคําพูดของคนเรื่องเดียวกันเนี่ยแต่คนพูดคนละคนกันเช่นสมมติ ว, มว่าคาําด่าบางทีพ่อแม่ท่านดา่าแต่ด่าด้วยความรักนะฮะคือไม่ ด, าด่าโดยความโกรธเราก็ไม่รู้สึกอะไรแต่คำเหล่านั้นถ้าคนอื่นเอาไปด่าเนี่ยเราจะรู้สึกไม่ชอบนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ตัวคำแต่มันขึ้นอยู่กับตัวคน หรือคนนั้นเป็นใครแทนที่ว่าจะด่าว่าอะไรเนี่ยตัวใครจะมีความต้องกันมากกว่าอะไรคือคำเหล่านั้นเด็กๆก็มาดา่าเด็กๆๆเล็กๆก็มาดา่คาคำหยาบๆเนี่ยแต่เด็กมันดา่าหรือคนรุ่นปุยาตายายท่านดา่าเราก็รู้ว่าท่านด่าด้วยความรักเด็กนันด่าด้ได้เดียงสา เด็กเราก็ไม่ถือสาความผู้ใหญ่เราก็ถือมันก็ตานให้พรหรือไม่เรื่องอเลาาอะไรกับคำดา่าเ่านั้นแต่ก็จะหนักสำนึกสำเนียกนะฮะคือไม่ถึงกับปฏิเสธความบางดีของท่านแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่เกิดแล้วผิดกับคำคาพูดเหล่านั้นแต่ว่าคนที่เราไม่ชอบเอาไปพูดเอาไปดา่าเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมา พจน์กิเลสประเภทนี้มันก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ต้องการได้ไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นถ้าไม่ได้ไม่มีไม่เป็นแล้วก็จะเป็นสุขมากถ้าต้องได้ต้องมีต้องเป็นก็จะเป็นทุกข์และถ้าสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีเนี่ยตัวเองจะเป็นสุขเปลี่ยนไปในแต่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยเราจะเป็นทุกข์เช่นคนที่เราเกลียดเนี่ยแว่ก็มีความเจริญก้าวหน้าเนี่ย เราก็อยู่ร้อนนอนทุกเพราะอะไรเพราะว่าเป็นบุคคลที่เราไม่ชอบทั้งหมดนันเป็นเกิดขึ้นจากการปรุงแต่งใน้านจิตใจของเราเองคือเขาก็คงเป็นอย่างที่เขาเป็นนั่นแหละแล้วเราก็มาปรุงแต่งขึ้นกิเลสประเภทโมหะเป็นกินเลสประเภทมืดบอดจนถึงก็มืดบอดในเชิงเหตุผล ไม่รู้บะบุญขุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีช่วเสริมจเจริญสุขทุกข์ไม่รู้อะไรไปเลยแต่บางทีก็รู้นะแต่เพียงแต่ว่าเหมือนกัรู้ว่าการพนันไม่ดียังเล่นการพนันรู้ว่าสุราไม่ดียังดื่มรู้ว่ายาบ้าไม่ดียังเสพก็ไม่ได้หมายความเขาไม่รู้แต่ว่าเป็นความรู้ที่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ก็ยังคงตกอยู่ภายใต้อํานาจของกิเลสอยู่ เราเนี่ยมันเป็นไฟที่เผาให้ร้อนเวลาหูได้ยินเสียงจ ม, มูกดมกลิ่นลิ้นนิมร่กายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็ง่ใจเหนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ทั้งหลายก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเข้าใจเห็นว่าไตานุหูืฟังเสียงจ ม, มูกดมกลิ่นลิ้นริบร่ากายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งนั้นมันกระตุ้นมาจากข้างนอกแต่การเหนียวนึกตึกนึกนั้นเป็นเรื่องของเราคิดขึ้นมาเอง เราปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาเองพิรุธรักก็ได้คิดอะไรช่างก็ได้คิดอะไรเฉยเฉยก็ได้ขึ้นอยู่กับเราคิดเอาทันชายกรมาปรุง ค, คิดคิดปุงหรือทำไม่ยุ่งจนได้เนี่ยได้เรื่องก็ได้เพราะอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านต่างหลายเนี่ยที่จริงมันก็ผ่านในทตาหูจมูกลิงกายใจเหมือนกันอารมณ์ที่ทําให้พระพุทธเจ้สัสรู้มันก็ผ่านมันจากตาหูจมูกลิงกายใจ แต่มันอยู่ที่การมองการกำหนดปีค่าของอารมณ์หล่อนั้นมันเหมือนกับท่านโบราณในชน ด, ดินทั้งหลายเนี่ยที่ท่านหลงยึดติดรูปแบบพฤติกรรมของท่านไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงความเหนือกว่าเด่นกว่าดีกว่าให้เห็นยังไงก็ตามท่านก็มีความรู้สึกว่าก็มีฤทธิ์เนอนุภาพมากจริงแต่ว่าไม่เป็นประหารเหมือนเราเหรอกคือท่านยังถือว่าท่านเก่งกว่าอยู่ แต่พอปัญญามันเกิดขึ้นพิจารณาเห็นชัดเจนโดยการฟังรับสั่งเตือนของพระพุทธเจ้าเพราะนอกจากท่านไม่ได้เป็นพระหานแล้วเนี่ยท่านไม่รู้ทางเป็นพระหานไปด้วยไม่รู้หลักการปฏิบัติธรรมให้คนเป็นพระหานด้วยท่านก็นยอมจำนนทันทีนะนั่นก็แสดงให้เห็นว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกนึกคิดของเราว่าเราจะคิดอย่างไง ก็่จริงที่พระพุธทธเจ้าทรงแสดงนะกระจัแจ้งเห็นความเหนือกว่ามากมายนะแต่ใจท่านยังไม่ยอมเรียกว่าอาปาตอาจจะแข็งแต่ว่าขาสั่นก็ได้นะแต่สรุปว่าท่านก็ยังไม่ยอมสยบด้วยกายวาจาใจนั่นก็หมายความว่ามันเป็นการปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงเอาเอง เปลักษณะช้ำซ้อนคือหลอกตัวเองด้วยโดยให้มองเห็นว่าตัวเองนั้นยังเหนือกว่าดีกว่าเด่นกว่าเก่งกว่าพระพุทธเจ้าอยู่จนถูกกำลางถึงที่สุดจึงยอมยอมจำนวนพะยอมท่านก็ไปเอาดีเลยนะหมายความว่าท่านอุ้กายกสัพะยอมคนเดียวทุกนก็ยอมหมดคนละนก็ยอมหมด เหมือนกับพระยะส่ายอมคนเดียวสหายอีกห้าสิบสี่คนนี่ก็ยอมหมดก็ดึงกันมาเป็นแถวไปเพราะอะไรเพราะว่าทานใช้ความคิดเห็นไปใช้ความเชื่อความคิดเห็นโดยมองที่ตัวพระยาาระส่ายว่าพระธรรมบิที่คนขนาดพระยะส่ายยอมฉลาตัวเองทิ้งทรัพย์สมบัติ ครอบครัวบ้านเรือนออกบวชเนี่ยต้องไม่ใช่ธรรมดาแล้วเมื่อมาสอบถามพยาศาพยาศาก็แสดงความจริงให้ทราบท่านก็ยอมนั้นจะเหนว่ามันเป็นการใช้ความเชื่อในตัวพยาศาแล้วในขณะเดียวกั น, นมีปัญญาพิจารณาเห็นเหตุผลของพยาศเธอตัดสินจากการกระทำของพยาศาว่า ต้องไม่ใช่เรื่องไร้สาระต้องเป็นเรื่องดีพิเศษจริงๆพยาศาสตร์จึงสามารถละทิ้งสิ่งเดียานั้นมาได้เพราะในการเนียวนึกตึกนึกอย่างภายในอย่างนี้ถ้าเรามีปัญญามันก็เหนียวนึกอะไรเอาได้แม้สิ่งเหล่านั้นจะเป็นที่ตั้งของราคะโลภโทสะ แต่ถ้าใจเขามีปัญญาเนี่ยเขาจะหาประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้แม้ได้คำดา่าข่าวลือต่างๆนยังหาประโยชน์ได้มีท่านหนึ่งเขาไปได้ลือว่าเขามีข่าวลือว่าท่านออกบวชคนไปพบตั้งข้า เราถามมาเอาได้ข่าวว่าท่านออกบวชยังไม่บวชเลท่านก็ถือว่าเป็นมงคลเสียงเราลือนั่นเป็นมงคลเพราะไปใช้โอกาสที่เขาลือนี่แหละบวชเฉลยแล้ ว, วลลสุดก็ตัดสินใจบวชทิ้งครอบครัวออกบวชบาเพ็ญเพียรกับบรรลุมรรคผลไปคือสรุปว่าแนวความคิดเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องใหญ่มา ปัญหาสําคัญว่าเราคิดยังไงสิ่งนั้นเป็นอะไรนี่ไม่ค่อยสําคัญคือถ้าเรามองในแนวของศีลสมา ธ, ธิปัญญาเนี่ยจะเห็นว่าในแนของศีลนี่จะมองอะไรเป็นอะไรใครเป็นใครเลยแล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมแก่กรณีนั้นๆหมายความมาบทบัญญัติท่านว่ายังไงเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีเหตุผลที่จะไปอธิบาย ไม่มีผมจะทุ่นติงว่าทำไมจะต้องบัญญัติอย่างนี้ทาไมบัญญัติไม่ให้กินข้าวเย็นใน่เสียสุขภาพปรานาใหม่มีท่านได้คิดมาทำฟรีนะฮะเป็นนักปราศของอังกฤษแต่ว่าเป็นชาวพุทธท่านวิจารเรื่องสองสามเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือการปล่อยพระอดอาหารในตอนมือเพลน ท่านบอกว่าอย่างนี้มันอยู่เมืองหนาวไม่ได้อ่ะสุขภาพพังหมดเลยทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะว่าอาหารไม่พออาหารน้อยไปอีกอย่างหนึ่งการนอนที่นุงบางอันเดียวกับผู้หญิงท่านบอกว่าโรงแรมมี ร, ร้อยร้อยห้องอย่างเงี้ยผู้หญิงอยู่คนเดียวพระไปนอนไม่ได้มันก็เกินไปมันปิดเจตนาลมของวินยัย อี่องหนึ่งก็คือเรื่องพวกพาเนเงินทองคือท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องจําเป็นที่พระจะต้องไปไหนมาไหนจะต้องมีความสะดวกไม่ใช่จะต้องมีลูกศิษย์ไปเสมอเพราะว่าลูกศิษย์ต้งค่าใช้จ่ายแผงกว่าพระได้อีกเราจะเอาค่าใช้จ่ายมันจากไหนพระจะทํางานได้ยังไงแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ไว้นะแต่ว่านั่นคือเป็นมุมมองจากฝรั่ง เป็นการมองจากข้อมูลนี่เจงหนึ่งแต่เป็นที่น่าสังเกตนะว่าอาบัติที่ท่านมองท่านท่านพุ่งติงท่านตั้งข้อสังเกตเนี่ยเป็นปัญาติวัติธไม่ใช่เป็นโลกวัติธรรมหรือเป็นความผิดเฉพาะผู้ที่บวชเป็นภิกษุเท่านั้นไม่ใช่เป็นความผิดผิตากลอย่างการฆ่สาสัตว์การลักทรัพย์การละเว้นปิตรามการพูดเทด็จไอพวกนั้นมาเป็นความปิตากลไอ น, นี่ไม่ใช่สากล ทีนี้เรื่องบางเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเรามีโมหะอยูเย่เราไม่มีปัญญาในการมองในการคิดในการพินิจ พ, พิจารณาวิเคราะห์ตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นเราก็อาจจะละเลยประเด็นที่ควรจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นออกไป แนวตัวอย่างเราเนี่ยเร า, เร า, เราลองดูท่านปูราณเนี่ดินก็ดีท่านพวกพยาสาก็ดีหรือพวกพัตวัคคีก็ดีเนี่ยมันมีความงนมเอียงทางใจที่แสดงถึงอวิชชาบันเกลเจางลงไปเยอะท่านพัทวัคคีหลวงพุทธเจ้ารับสั่งถามมาเธอจะหาตนเองดีกว่าหรือหาผู้หญิงดีกว่าเนี่ยที่จริงก็ไม่ตอบตรงคำถาม แต่ว่าท่านตื่นเต้นนะฮะท่านตื่นเต้นท่านชื่นชมยินดีที่จะหาตนดีกว่าหาผู้หญิงแต่ในสุดก็สมัครใจที่จะหาตนเองมันก็แสดงถึงว่าบัญญาบา ร, รมีนั้นแก่กล้าประโยชน์ประทานก็ไม่วิจิตพิสดารอะไรนะฮะว้าวกันซื่อธรรมดาธรรมดาที จะหาตนเองหลือจะหาผู้หญิงจะหาผู้หญิงหรือจะหาตนเองดีกว่าหาตนดีกว่าท่านก็เลิกสนใจเรื่องผู้หญิงทันทีใดมาหาตนนันทีนั่นก็คือเรื่องเรื่องของแนวติดนึกเขาเรียกว่าเป็นวิตรเป็นวิตกบ้างเป็นสังกัปปะบ้างในอริยมรรตนั่นเองเพราะแนวตัวนี้มันจะร้อนหรือไม่ร้อนเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดยังไง ไม่ได้อยู่ที่ว wow. ่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรเราคิดได้ร้อนมันก็ร้อนคิดไม่ร้อนมันก็ร้อนเฉยๆมันก็เฉยๆมันเป็นอย่างที่มันเป็นมันอยู่อย่างที่มันอยู่มันเป็นยังไงมันก็เป็นก็มันอย่างนั้นมันก็เหมือนกับความตายที่มังเกิดขึ้นเนี่ยเราคิดได้ร้อนก็ได้คิดเฉยๆก็ได้คิดใด้ดธรรมะก็ได้คิดให้ไม่ร้อนก็ได้เรแล้วแต่เราจะคิดยังไง ในความตายบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเรามองให้ดีมันก็คือครูที่บอกกล่าวย้ำเตือนแก่เราว่าธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างนี้นะสภาวะของเป็นอของชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ไม่มีใครจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกวันนั้นวันนั้นท่านก็ตายเราดู ต่อไปเราก็ตายคนอื่นดูคนที่เผาเราเราก็ไม่ได้เผาเขาคนที่เราเผ า, า, าเขาก็ไม่ได้เผาเราเรามาคิดแตเห็นว่าชีวิตกับความตายเนี่ยมันอยู่ติดกันนึกกันหายใจเข้าไม่ออกหายใจออกไม่เข้าแล้วก็ตายแล้วก็ททำให้ครองชีวิ ต, ตวด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคก็กลายเป็นอรารมณ์ของกรรมฐ า, าน แต่คิดได้รวมก็ได้นังกล่าวทั้งฝั่งทั้งหลายแต่รบมาควาิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็งเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี